ซื S ้อไปหน้าหนึ่ส บุตพระขาวาพระบุพีพระพาเจ้าเป็นพระราหันดาเลิงกิเลเพลงทุสิ้นเชิงปราสรุษชอบได้โดยพระองค์เองบูตทาง กัวันทังภิวาณิมีอาบัจจาวาภิวาพระผูมีพระภาคเจ้าผูรู้ผู้ตื่นผู้เมตตาสวัสดิู พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแลว้วธมามนามาสามีพมะเจ้านามสการพระธรรมสุปฏิปน พระขาวโตสวากสังโฆประสงสาวกของพระผู้มีพระภาเข้าปฏิบาติดีแล้วสังฆามีาระเจ้าุนอบน้อมประสง หนึ่งสนะโยโฮิโกจิฟิกควเวฟิกษุทั้งหลายก็ผู้หนึ่งผู้ใดใจเมตตาตารุ สติปัฏฐานเอวังภาไวยาสตาวะสานิจารนสติปัฏฐานสี่อย่างนี้โดยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ด ตาสาทะวินังพระรางัญญาตรังพระรังปฏิคังขังเอาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บัรดาผลทั้งสองที่เทวธทเมอัญญะสติวะอุวาพิเศษานาคาเมีย อรหันในปัจจุบันชาติีหรือเมื่ออุปาทิคือสสงโยยยังเหลืออยู่ก็เป็นพระหานาคามี ท่านตุภิกขเวสตาวิสานีภิกษุทั้งหลายเจ็ดปีโยไวก็ได้โยหีก็จีภิกขเวอะภิกษุทั้งหลายเมื่อหนึ่งผู้ใดหิเมยัตตารสติปัถเนเอวัง นิจาวาสานิจาจจ a t a ิวาสานิจาตินิอสานิจาทธเววาสานิจาเอกังวสัญจา การสติปัฏฐานสี่อย่างนี้โดยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ดปีหปีสี่ปีสามปีเถรวีหรือดีก็ดีอ้าววินังพระร ปี่กังขังเอาบึงหวังผลอย่างในอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองที่เทวธาเมัญญาสติวุปปาทีเสเสานาคามิตาเื่อเมื่ออันในบัชวณขณนี้หรือมาสังโย อืัญญาออด้วอยู่ก็เป็นพระอนาคามีที่ท่านดูพิขเวชวิสนีจปัญจวัสอานิจ่าจัตตาริวิสานิจาตินิวิาณ สูทั้งหลายโปีหปีสี่ปีส x มสอปีหรือหนึ่งปีก็ีเย้โอ้ย i อ้ยโอ้ยโออ้ยค่ะเวสุทธังละให้โยผู้หนึ่งผู้ใดอะเมจัคาร ไอ้อามาสานีเรนสติปัญสิยนี้อาการอย่างนี้ตลอดเวันปัสาวีณควาลานะะตาลาร่งบัิกังขังเอา หวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะบันดาผลทั้งสองปาริเสเสอนาคามิตาคือพระราหานในปัจจุบันชาณีหรือเมื่อปารีขยั่งโย ทังเรืออยู่ก็เป็นพระนาคามีดิทัดุพิกควเวอัธรรมโสนีอได้สู่ทั้งหลายอกไวยก็ได้โกจิปิควเวอสู่ทั้งหลาย ยาผู้หนผู้ใด อิเมจตาโรสติปัฏฐานิเอวังพาไวยานิจัมจะมาส i ิจัจดาริมาสานิจักขมาสานิจาอเวมานิจามังจักขา เดินสติปัญสิยานี้ดยอาการอย่างนี้จะหลอกดูดเดือนสีเดือนสีแสงเนส่องเลือดเลือนเดือนก็ดีอา เวนังพระังอัญญาตรังพระบาติกังขังเฝ้าผึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบันดาุณทั้งสองี่เทวธาเม ปฏิเสธอนาคามิตาคือพระอรหันต์ในปัจจุบันชานี้หรือเมื่ออุปาทิคือแสงโยยังอยู่เป็นพระอนาคามี เด็กอ <females. S 2> ีข้าวเวอธามาโซเวสุรังห้ายกึ่งเดือนโยควายก็ได้โยฮีก็จีฟิกข้าวเวเวสุรังร้ายได้อาเมจารุเรษฐีพายท่าน ยะธาตุอัมอาทิภัทสีอันีโดยอาการอย่างนี้ตลอดเดือนหวินนยะตรังพระรังบารก อวุธอวียังยังในบันดาบุญทั้งสองที่เทวธรรมเมัญญาสติวะานิยะเอ้เนียถ้าอหันในไปจูบันท่นี้ ว่าท่านเสด็จยยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีเอกายนุยามะโตเหตุสุทั้งหลาย สมาธิกามายาเพื่อการก่าเรื่องเสียซึ่งความโทนอารังคานอุมาัท่ทำตั้งอยู่ไม่ได้อมะ ยยสาอว์ทขมายาเพื่อมนุษยธรรมเนื si ้อวิพาสัตว์นี้ยาการทำพระนิพพานให้แชิงย้ยธรรม สติปัญสีดยอันนี้ที่ยังจังทำที่เราทำมาแล้วนี้ที่จะมาอันทีเราอาศัยสติปัญสีนั้นก็เอาแล้วอีท่ จะพะวาตามานเถพิกุพะภาวาโตพาสิตาอาภินันดุนทีราภูมิระภากยาวจัดพระสุนี้จบแล้ว วิ่งสู่ทั้งหลายเหล่า น, นั้นมีใจยินดีชช่นชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อระกันใช้และจอันนี้ทรงการเจริญสติปฏิบัติตรงวันสักพัปิดหนังสือ เป็รว่าเราจะได้ดำเนินการการประเมินช่วงแรกนี้อยากจะให้กลุ่มผู้กลุ่มของศิลปกรอยู่อซีกเดียวกันหมดหรือว่าอยู่คนละที่เปลี่ยนที่กันได้ไหมศิลปกรมาอยู่ชุดนี้ืออยู่ทางงไหนสมศินอยู่ทางไหนจุดหนึ่ง อาสมศิลนมาอยู่ซิกนี้สุล็กกรบุคคลร่วมมาอยู่ซิกนี้อาสมศิลนอยู่ซิกนี้สุรล็กกรมาอยู่ซิกนี้แล้วบุคคลที่มาร่วมอยู่ซิกตรงกลางอเปลี่ยนที่กันหน่อยผู้มาร่วมเจริญสติอยู่ตรงกลางนี่เลยตรงกลางนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้คนที่มาร่วมทั่วไปแต่ว่ากลุ่มหลักๆสุรเล็กกรอาสมศิล์ ขยับขึ้นมาขออยับขึ้นมาไป อ, อยู่ซิกเงียว่างั้นเดี๋ทวองอันผสมสีขออยับขึ้นมาขออยาขับ า, างนี้ต่น้นเขาจะได้ไม่เบียดกันเออขออยับขึ้นมาเออนั่นแหละมีสิทกรอยู่ที่นี้หมดใช่ไหมโอเค พ่อใหญ่พ่อใหญมาทั้งทีพอใ่จะเลนมาทั้งีเล่นมาทั้อาสนะมาแล้วอานะไม่ต้องไป <c oughs> เอาเข้าลงตัวนะสมสิง เายับมาทิ้งอะยับตรงนี้ดิหยับมาตรงนี้ดิดูเที่วว่างๆนี่อยากขึ้นมาอยากขึ้นมาตรงนี้อยาบขึ้นมาเออก็อยาให้ขาดช่วงกันผู้ชายใอยาบขึ้นมาผูใหญ่คิดขึ้นมาดิเอาละอยาไปอยาบมาเออสำหรับพู้ทีเก็บอารมณ์กักข้ากันใช่ไหม ถ้าสมสินทั้งทั่วไปคนที่เก็บอารมณ์ย ก, ยกมือขึ้นหน่อยอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ทงนี้仨อยู่งนี้สี่นส 4, เนาะห้าหกเจ็ดโอเ ค, อเคก็อาจจะไม่ได้ทั่วกันทุกคนนะถ้าเกิดเวลามันครบเสียก่อนตนนกลงว่าเราจะจะครดโปรแกรมเวลาเท่าไหร่คุณชุนันทาสามโมง <laughs> สามมงถ้าหากว่าแล้วแล้วแต่นะถ้าจะให้โคตดตลงพ่บโค้ด5้าโมงเลยก็แปลว่าเราได้พร้อมกันแล้วการประเมินผลมีสามทางทางกายทางวาจาและทางใจเราสามารถประเมินได้ทางวาจาก่อน ทางกายนี่เราไม่สามารถจะตามไปดูได้ว่าเวลาถูกกระทบแล้วเนี่ยคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างตรงนั้นก็จะเป็นส่วนทางกายในส่วนทางอารมณ์หรือส่วนทางใจนี่ก็แต่และคุณก็ประเมินเอาเองว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นสถาน ก, การณ์รอบด้านเกิดขึ้นในจิตใจของเราตั้งมั่นต่ อ, อาการกระทบมากน้อยแค่ไหนนี่นะอันนี้ทางกายทางใจ ค่อน ข, ข้างประเมินบางครั้จะใ <c oughs> ส่สถานการณ์กรณีเวดล้อมรลายอย่าง น, นั้นก็เหลือทางเดียวที่เราทำได้เป็นหมู่คณะคือทางวาจาในทางวาจาจะได้ส0มสิอร์ทางกายส0มสิอร์ซนทางใจของเได้สี่สิบเอร์ซนนะนั้นเองก็ในการรายงานทางวาจานี้เบื้องต้นก็จะพูดถึง เรื่องของอารมณ์ปฏิบัติาที่นี่นะไม่ต้องไปลำดับไกลเพราะเวลาเรามีจำกัดว่าขนาดภายในเจ็ดภายในห้าวันเนี่ยเรา <c oughs> มีมาควา ม, มาเปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่ขอ ว, ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยอารมณ์เราเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าทีนี่ช่วงที่เข้ามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้จนมาถึงวันนี้จิตของเราอยู่ใน ภาวะอารมณ์ที่ต่างไปเดิมอย่างไรบ้างเนี่ราก็อยากต้องการให้ทราบความเปลี่ยนแปลงภายใน5วันนี้ว่าจิตใจและอารมณ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าเสมอตัวอะไรตรงนี้เราก็ประเมินให้กันทราบตามความเป็นจริงแต่ละท่านก็อย่างมากก็ไม่ควรเกิน5นาที5นาทีนี้เต็มที่ น, นะแต่ก็ ถ้าเกิดนั้นก็ก็จะไปกินเวลาของคนอื่นเข้าแต่ในส่วนที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย5วันนี้ก็ให้น้อยๆถ้ามีความจําเป็นนะแต่ที่จําเป็นต้องพูดกบภายใน5วันเนี่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกาาับเรา่ไฟบวกเท่าไหร่ไฟลบเท่าไหร่อ น, นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการประเมินนะดังนั้นในช่วงเริ่มต้นนี้เราจะเริ่มจากทางนี้ก่อนเนาะ คุณวิชัยเป็นตนแปไกเข้าเชิญคุณวิชัยก่อนหนึ่นอน ร่างขายสู้ไม่ไหวก็ต้องยิดไปตอนสองทุ่มคึ่งนะครับตื่นใสามสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มได้ถึงลงนอนปกติเช้ามันเริมขึ้นมาในสามร้านการมันก็เกิดทุกขเว็นาที่ที่นอกนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกแปลกคือเหมือนที่พยาบานว่ามันไปยึดจับอะไรมสราสเหือนกับมันมันมีสติเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับ แล้ที่พอปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อไปก่อนใก่อนส11โคงในขณะยืนจงกรมอยู่เนีคมม่ความที่คิดปุงแต่งจิตเนี่ยมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปสุดแล้วก็ขณะเดนินจงครมเนี่ยมันเหมือนกับมันแบบสบา ย, บายๆนะครับเป็อยู่ประมาณสัก 5-6 นาทีแล้วก็ตอนนี้ความคิดมันก็ค่อยๆอยู่ในระดับที่ไม่ไม่ฟุ้งซ่าน ม, ามีบ้างมีบ้างมีบ้างจนจนวันเนี้นะครับ วันสุดท้ายเนี่ยรู้สึกมันคุ้นแค่ดีใจหรือยังไม่ทรนะาบจมันกลับมาคุ้นสร้างต่ออีกทั้ง <c oughs> ก็พยายามกัดฟันเดินเดินเดินเดินเดินไปตกลก็ประสบการณ์มีทั้ น, นี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าผมว่าสองตัวผมเองเนี่ยจากภาวะปกติที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คิดว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับที่พ่อจางบอกว่ า, วามันตั้งท่านเป็นผู้รู้ ก็มีประสบการณ์แค่นี้ครับไม่เคยครับผม ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เสร็จกับเรียนน้การหลวงพ่อนะครับวันแรกเนี่ยแทบไม่ได้ยกมือเคลื่อนไหวจังหวะเลยเพราะว่าสู้นิวรนความง่วงไม่ได้ครับยับับ้ครับพอพอนั่งปั๊บมีอาการแปรครับพอพอนั่งปั๊บเนี่ยาหยับมือไปปั๊บเนี่ยมันหลับมันหลับความคิดมันเกิดครับพอความคิดเกิดปั๊บเนี่ยมันพอมันลืมตาขึ้นความคิดดับ ก็มีอาการอยู่อย่างนี้หลายครั้งครับคือมันอยู่ดีมันมันมันฟิลขาดไปหลับไปอย่างนั้นนะครับเพลินหลับไปครับแล้วความคิดมันเกิดครับรู้เลยว่าความคิดเกิดพอความคิดเกิดปั๊บเหมือนกมันมีสตินะครับมันลืมตาขึ้นมาความคิดมันก็หายไปโอ้ยนั่งปกติเนี่ยตอนนั่งก็ได้ยาวนานที่สุประมาณ2ชั่วโมง วันวันแรกเลยตลอดคืนนี่นี่ถ้าไม่ได้นั่งเลยครับพอพอพมาวันที่สองพอมันมีอาการแบบนั้นแล้วพอมาช่วงบ่ายเย็นๆนี่ค่อยได้แล้วขยับมือมากทำจังหวะเคลื่อนไหวมือเพิ่มมากขึ้นเดินอย่างเดียวเลยครับหลวงพ่อเดินเยอะเกินไปครับอันนี้คือถ้าเดินเคยเดินเดปฏิบัติเดินเยอะเกินไปเวลานั่งมันจะทำไม่ได้เพราะจิตมันไม่รับครับผมงนั้นพ ที่มันเป็นผลเสียก็คือว่าถ้าเรานั่งน้อยเนี่ยสติมันจะยากพอสติยากก็เป็นอารมณ์ความผิดมีอร์มมนจะเข้าง่ายครับผมเพราะนั้นเวลาภาคปฏิบัติทีเนี่ยต้อการให้นั่งมากที่สุดโดเชพาในช่วงเก็บอารมณ์ครับผมแต่ก็เป็นข้อผิภาคของตัวมาเองที่ไม่ได้ไปดูข้องานที่มเยอะก็เลยไม่ได้ไปดูนะก็ไม่ไร้เทียมทานไปอยากจะให้เก็บสักกี่วันนะครับผมเไปที่ เดี๋ยวเาการไปเกียรตมาก็แล้วกนจะไปที่เบิกฟ้าธรรมสมครับ่ไทีุ่วันนะครับผมโอเคคครับผมับมาสักครั้งไม่เคยอะค่ะครั้งนี้ครั้งแรกที่พระรจักก็ไม่มีอะไรนะคะแต่เมื่อวานมีความรู้สึกดีใจมากที่ผ่านนิวรณได้ง่วงมากๆไม่เคยผ่านได้เลยอะค่ะ แล้วไม่เคยนั่งได้เกินสิบห้นาทีแต่ว่าวานนี้นั่งได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วมาเช้าเนี้ยเดินชั่วโมงแล้วนั่งชั่วโมงแล้วก็เจออะไรประหลาดที่จะถามอาจารย์ว่าทํำไมเวลาเดินมีรู้สึกตัวเรามันเบามากใจเบากายเบาแลา้วยกจังหวะนี้เบาไปหมดทุกอย่างประมาณสิบนาทียาที่เจออย่างงี้สองครั้งนี่ข้ามีประสบการณ์แค่เนี้ยที่ที่ปฏิบัติมาไม่เคยเจอเจอแต่ว่าปั๊บปั๊บ ป, บปบ๊มันเห ม, นมือนมือเราลอยได้แต่วันนี้มีความรู้สึก ตัวเขเบาและใจกขเบารเดินมันเหมือนกับไม่มีตัวเดินหายป้าจา์มันเดินลอยมันเบาแบบเบาสบายแต่ว่าชดสิบวันทีเองอะค่ะแล้วก็หายไปรู้สึกตัวรนที่มเป็นรู้สึกตัวหานั่งดูอยู่กายกับใจมอยู่ด้วยกันง่ายือ่คิดรอเหมือนเดิมก็ได้คำตอบป้าจายกับใจมันอยู่ด้วยกันถือว่าสมัตารมนมได้มันปิติมาก พอพิธีมาแล้วกายกับใจตัวที่รวมกันได้ตอนแรกมันก็เต้นมันก็อกปก็ด้้กันอยู่ด้วยกันแต่พิธีมาเนี่ยมันก็มีน้ําเชื่อมแต่นั่นก็กายกับใจต้นไม้กับรากรากกับดินเพื่อให้เชื่อมกันได้มันมีน้ําลบเข้าไปพิธิเยอะนะนั้นก็ต้องพยายามทํำบ่อยขึ้นเราไปเพื่อให้ลูกน้ําของเราเข้าอยู่ด้วยกัน ได้ง่ายขึ้นที่พจ๋ให้เดินมาช้าตรงนั้นนะะที่ตรงนั้นบอกว่าเดินแบบวิเดินชั่วโมงแล้วไอ้ชั่วโมงนั้นะเนี่ยสองชั่วโมงกันนะแล้วมันั่งชั่วโมงหนึ่งมาตอนที่เดินก็ได้ได้แบบนี้ยแล้วฮะเริ่มเบิ่มเบาเอ๊ะผิดปกติแล้วเอ๊ะไปเดินใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะพอนั่งยิ่งเจอเอ๊ะทีนี้ถ้าไปงานต่อไปมาไเกอารมณ์เลยแตวากาตรงนี้ให้ดีนะจะไปที่เบิกฟ้าเหมือนกันค่ะ เขเดินหน้า่ใช่ค่ะโควิดยุคนแรกคจะหายไหมดแล้วนนกลับไปบ้านป็นรตอค่ะคค่ะฮัลโหลฮัลหันการเก็บอารมณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะคะวันแรกที่เข้าห้องไปก็คิดคิดคิดมาสรุปแล้วคิดแต่เรื่องพอใจด้งนั้นเลยรู้สึกว่าเออเราคิดมากไปเริ่มจะสงสัยจะไปไม่รอดแล้วตอนเย็น พ่มาสอบอารมณ์เรื่องรูปนามนะคะก็เกิดออแล้วก็มาทบทวนตรงไหนต้องดูรูปนามใหม่พอวันที่สองแม่แม่ชีเล็กแม่เล็กมาปลูกตอนดีห้าตื่นสายแล้วแม่ชีก็พาไปเดินป่าแม่ชีสอนธรรมะด้วยแล้วก็เจอคุณบาเานีบรลานีเปิดไฟแสงมันจ้าแล้วแม่ชีบอกว่าไอ้แม่คุณแม่เล็กบอกว่า วันนี้ปิดไฟให้ไฟมันอ่อนจะได้จิตไม่แข็งประมาณที่วันนี้แหละค่ะตอนกลางวันเรากินอาหารแล้วมันรู้สึกว่ามันมันร้อนในร่างกายมันจะย่อยเพราะฉะนั้นพอเราหลังอาหารปั้าเนี่ยเราจะรู้สึกง่วงปฏิบัติไปก็มองไปรอบตาแข็งไปหมดเลยจิตก็แข็งเราก็เลยนบทนถึงวันที่เราเคยทำเราเคยทารูปนามได้ว่าเราเกิดําไมอยังไง อ๋อสมาธิเลยนั่งสมาธิแบบอานาช่วงอึดใจหนึ่งพอได้อารมณ์สมาธิเราเราเบิดเราลืมตาใหม่มองรอบข้างเนี่ยต้นไม้มันนุ่มขึ้นจิตเราอ่อนโยนขึ้นขณะที่เราเดินน่ะสติเรายังคงอยู่เราก็เดินสติที่มีสมาธิด้วยเป็นสมาธิอ่อนๆและทั้งวันน่ะรูปนามก็ปรากฏชัดขึ้นเราเห็นกายเราเป็นท่อนเดินไป แล้วเราเห็นเราหยุดลองไม่เดินนี่ใครมันสั่งเราอ๋อใจมันสั่งเราแล้วถ้าเราสติสั่งแล้วจะเป็นยังไงก็เลยเล่นกับตัวเองทั้งวันเลย <c oughs> ก็สนุกไปกับรูปน้ำเหมือนนั้นตั้งแต่เช้ายันเย็นละมันมีแค่นี้แหละค่ะ <c> ั <oughs> ตมาตื่นได้เวลาัมาตื่นเวลาคะวันต่อมาตีสามครึ่งค่ะเดี๋ยวไม่เล็กมาตามี้ ชัดเจนมันชัดทั้งวันแหละถ้าเรารู้ว่ากายเราเป็นยังไงรัตติเราตามทันกายเรา ค, ความคิีดจะน้อยลงถ้าเราดูรูปน้ำเมื่อตรวที่ได้รูปน้ำาเชืออ่อมที่กายต่างกันเพราะว่าเราจะเรียกใช้เมื่อไหรก็ได้เพราะครั้งแรกเหมือนเราทะลุความแจ้งแต่เรารู้ว่าการทะลุความแจ้งนั้นเกิดจากสติปัญญาเราเต็มที่สมาธิเรามีน้อยๆแล้วทะลุไปถึงปัญญา ตอนนั้นเราเห็นอย่างนั้นแล้วมันติดตัวเราก็เลยหลวงตาบอกให้ทำเป็นบ่อยๆให้รู้จักมันบ่อยๆหลวงตาแนะนาคราวที่แล้วก็ต่างกันก็คือเราเรารู้ได้เลยเมื่อเรามีสติเรารู้เลยค่ะแต่ต้องมีสมาธิอ่อนๆด้วยนะคะค่ะเามีการนช่วยเสริมตัวที่ีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ เราจะดย้นไปก่อมารับอนี้มานรองนี้บ้าเอาดีครับแกอางานท่นนี้ <c oughs> ดบแบ้างแกมาตอนนั้นอเอาให้สงางามนักราการครับฟังภาคสวรรค์ไปนะฟังภาคนาลกบ้าง แต่ราภาพเลยนะมาแบบอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติตั้งใจมาเพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดว่าจะมาปฏิบัติด้วยซ้าไปแต่ถึงที่สุดนะเมื่อตัดสินใจว่าการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีสือการเข้าไปเจอด้วยตัวเองนะครับก็ยอมรับว่า เ, เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหม่นะฮะ ท้งที่เทคนิคของหลวงพ่อเทียนนี่ผมเห็นมาได้20ปีแล้วแต่ไม่เคยลองด้วยตัวเองนะครับและลึกๆนี่ตั้งแง่กับมันด้วยซ้าไปยอมยอมรับสารภาพเลยนะฮะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรตลกต ล, กตลกอย่างนั้นนะฮะเมืกับคาไม่ถึงคนทั่วๆไปแ ต, แต่มาม า, มาทริปนี้นีเ่เอาความคิดทั้งหมดออกแล้วก็เอาทิฐิออกด้วยนะฮะเพราะว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อสั่ง นตั้งตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าจะรูว่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วก็ยอมรับว่ามันไม่เห็นอะไรมากนักนะครับแต่ว่ามันเป็นความความรับรู้ชุดชุดใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนครับผมในแต่ละวันที่ผ่านไปความรู้สึกตัววที่เราพยายามสื่อเียับับความหมายเรื่องในเภาคปฏิบัติเอง ความ <c oughs> แล้วรู้สึกตัวที่เราเนียน่ย<ฮ>ะเอาไปลงในภาปฏิบัติในภาของที่เราปฏิบัติในสาวรู้สึกนนสเ่ยรู้รู้รูรรรรรู้่รู้อยู่ประการเดียวฮะคือว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่อ่อนแอมากนะฮะเพื่อผู้ภาษาทัว่วท่วไปคือว่าเรามันเหมือนกับ ไร้คุณค่าเลยฮะในในในเวอร์ชั่นนี้นะฮะในเรื่องของภาคจิตวิญญาณนะฮะมันไม่มีอะไรดีขึ้นฮะมันหรือรู้สึกว่ามันเหมือนกับแค่ได้มารู้ว่ามันมีอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแตะสัมผัสจริงๆจริงนิทเลยฮะไม่แน่จะเป็นเรื่องทางความคิดหรือเปล่าเราตั้งแง่กับตัวเองหรือเปล่าว่าเรามาเพื่อรู้เพื่อเพื่อดูไม่ได้มาเพื่อเพื่อเพื่อมาเพื่อสัมผัสไม่ได้มาเข้าไป เข้าไปฝึกจริงๆผมผมไม่ร่วมเป็นเพราอนนี้คือคืออย่างนี้ฮะพระอาจารย์ผมต้องเขียนประสบาการณ์ของอาจารย์กำพลช่วงที่แก่ช่วงที่แกปฏิบัตินะฮะและ้วแกเป็นรู้ทำปรากฏว่าผมสัมภาษณ์แกแล้วเนี่ยผมฟังถึงที่แกเล่ามาทั้งหมดมไม่เข้าใจเลยนะแต่ผมจาเป็นต้องเขียนประสบาการณ์ ชุดนี้ออกมาสื่อสารให้ให้กับบุคคลที่สามรับรู้ในฐานนะเป็นคนเขียนหนังสือผมจําเป็นต้องต้องเรียกว่าอะไรอะต้องขอรับรู้มันนะว่าก่อนที่จะสื่อสารมันออกมาได้คือผมก็คือแทนที่จะรู้สึกว่ามาเพื่อที่จะฝึกตัวเองมาเพื่อจะรับรู้เพื่อจะไปเล่าต่อกลายเป็นช่องว่างทางความคิดหรือเปล่า <laughs> เคยที่ไปสอนอาจารย์กำพลกับตรู้ที่ฟังอาจารย์กกับตัวรู้ที่จะทำเียแสดงว่าไม่ตัวเยวรู้คนไ้ยางคือกรีที่รู้แสดงว่าไม่ใช่คนุกีที่จสไดุ้เสหยากค่ค่อนข้างจะยากอย่างละเอียดอ่อนมากค่ะและและอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์กำพลพูดมาก็คือว่ามันเป็นสันธิฏิโกพอพูดประโยคนี้มาปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่ากับปิดเลยผมไม่มีทาง <mister isation> ส ife, wow. ัมผัสของจริงเลยใช่ไหมเพราะจนกว่าเขาจะเข้าไปเรียนรู้ด้ตัวเองจึงจะเขียนได้หรือเปล่าผมจัความไม่มั่นใจตรงจุดนี้ะมาว่าสุงที่คุณสงากำทเนี่ยนหายจะต้องปฏิบัติดูรู้เนี่ยเข้าใจด้ตัวเองก่ทเขามามาเว่าสไปโยที่สงายไม่ได้เกิดตัวเองมันจะมีอค ก็เลยเสพสอนอีทีตอนนี้ที่ท่านวิวยัง่จอดมือสื่อเท่านั้นเลยที่ทำมือสือได้ดีว่าพอมาเป็นแน่ใว่าคนนี้อ่านเป็นสืบได้แล้วก่นเพราะคนคนเทียนจะคนอ่านเนสื่กเป็นได้แตถ้าเป็นบุคคลที่สามที่านโงเรียนไปหาว่าอาจจะถาแบบไม่อยู่ก็คนกคามลอยแลลดตัวสิ่อปลอยเพาะยันอีสีกทีรู้ ครับคโอเคบริษัทด้วยต่บไป